สปริญญาวาน 1. ปัจจุบันาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน249อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขายัตนะบุคคล น, นั้นก็กำลังกำหนดรู้โสตายัตนะใช่ไหมพิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้โสตายัตนะ บุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จักขายัตนะใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขายัตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้โสตายัตนะใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้โสตายัตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขายัตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ สองอติตะวนันว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีต250 อ, อ, อนุโรมปุจฉาบุคคลใดเคยกําหนดรู้จักขายัตนะบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้โสตายัตนะใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโรมปุจฉาบุคคลใดเคยกําหนดรู้โสตายัตนะบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้จักขายัตนะใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุโรมปุจฉา บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขายัตนา pues no บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้โสตายัตนะใช่ไหมวิจัดชนะใช่ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดมิใช่เคยกำหนดรู้โสตายัตนะบุคคลนั้นก็มิใช่เคยกำหนดรู้จักขายัตนาใช่ไหมวิจัชนะใช่ 3. อนาคตวานว่าด้วยสภาวระม ท, ท, ที่เป็นอนาคต251 อนุรลมปุจฉาบุคคลใดจะกําหนดรู้จักขายัตนะบุคคลนั้นก็จะกําหนดรู้โสตายัตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะกําหนดรู้เสตายัตนะบุคคลนั้นก็จะกําหนดรู้จักขายัตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุรลมปุจฉา บุคคลใดไม่ใช่จะกกำหนดรู้จักขายยตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโรมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จากกำหนดรู living, ้โสตายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากกำหนดรู้จักขายยตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ 4. ปัจจุปนาตีตะวันว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีต 252. อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขายยตนะบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจารนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขายยตนะใช่ไหมพิจารนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉา บุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัชนะอรหันต์ตบุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะแต่ไม่ใช่ไม่เคยกำหนดรู้โสตายตนะเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักและอรหันตะบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขายตนะ และก็ไม่เคยกําหนดรู้โสตายตนะปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่เคยกําหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักข า, ายตนะใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักไม่เคยกําหนดรู้โสตายตนะแต่มีแต่มิใช่ไม่กําลังกําหนดรู้จักข า, ายตนะเวน้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักและอระหันตบุคคลแล้ว บุคคลที่เหลือไม่เคยกําหนดรู้โสตายตนะและก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขายตนะก็ใช่ 5. ปัจจุปันนาคตาวานว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคต253อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จักขายตนะบุคคลนั้นก็จะ ก, กําหนดรู้โสตายตนะใช่ไหมวิจัดชนาะไม่ใช่ ปฏิรมปุจฉาบุคคลใดจะ ก, กําหนดรู้โสตายะตนะบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จักขายะตนะใช่ไหมวิจัดชนาะไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขายะตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะ ก, กําหนดรู้โสตายะตนะใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้จักได้มักไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขายะตนะ แต่ไม่ใช่จักไม่กําหนดรู้โสตายะตะนะอรหรันต์แบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่งจักไม่ได้มักไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขายะตนะและก็ไม่ใช่จักกําหนดรู้โสตายะตนะปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักกําหนดรู้โสตายะตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขายะตนะใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่จะ ก, กําหนดรู้โสตายตนะแต่ไม่ใช่ไม่กําลังกําหนดรู้จักขายตนะอรหันต์บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่ใช่จะ ก, กําหนดรู้โสตายตนะและก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขายตนะ 6. กอตีตานาขตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต254 อนุโลมปุชชาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขายัตนะบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้โสตายัตนะใช่ไหมพิจาชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดจะกำหนดรู้โสตายัตนะบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขายัตนะใช่ไหมพิจาชนาไม่ใช่อนุโลมปุชชา บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขายัตนะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายัตนะใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้จักได้มักไม่เคยกำหนดรู้จักขายัตนะแต่ก็มิใช่จักไม่กำหนดรู้โสตายัตนะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมักและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักไม่เคยกำหนดรู้จักขายัตนะและก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้โสตายัตนะ ปติโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จะ ก, กกําหนดรู้โสตายตนะบุคคลนั้นก็ไม่เคยกําหนดรู้จักขายตนะใช่ไหมวิจัดชนะอาอรหันตบุคคลไม่ใช่จะ ก, กําหนดรู้โสตายตนะแต่ม่ใช่ไม่เคยกําหนดรู้จักขายตนะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรักและบุคคลผู้ปุตเป็นปุตชน ซึ่งจักไม่ได้มักไม่ใช่จักกำหนดรู้โ ส, สตายตนะและก็ไม่เคยกำหนดรู้จักหายตนะปริญญาวานจบอายตนะยมกจบธาตยมก1ปนัตติวานระอุเทศ1ทธาต18คือหนึ่งจักกุธาตสองสดธาต สาคานธาตุสชิวหาธาตุหกายธาตุหรูปธาตุเสัตธาตุแคันธาตุเรสสัธาตุสิบโพธพธาตุ1ิจักขุวิญญาณธาตุสิโสตวิญญาณธาตุสาคานวิญญาณธาตุสชิวหาวิญญาณธาตุสกายวิญญาณธาตุสมโนธาตุส มโมวิญ ญ, ญาณธาตุสิธรรมธาตุหปัตโศธนวานอนุโลมสอจักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมจักขุธาตุเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นโสตะธาตุใช่ไหมโสตะธาตุเป็นโสตะใช่ไหมและจักขุวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณธาตุใช่ไหม จักขวิญญาณธาตุเป็นจักขวิญญาณใช่ไหมและมะโนโเป็นมโนธาตุใช่ไหมมโนธาตุเป็นมโนโใช่ไหมมโนโวิญญาณเป็นมโนโวิญญาณธาตุใช่ไหมมโนวิญญาณธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมธรรมเป็นธรรมธาตุใช่ไหมธรรมธาตุเป็นธรรมใช่ไหมมีในข้อสิทิปัจจณิกะ 3. ส, สภาวธรรมที่ไม่ เป็นจักขูไม่เป็นจักขู่ธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขู่ธาตุไม่เป็นจักขู่ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตะธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะธาตุไม่เป็นโสตะใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขูวิญญาณไม่เป็นจักขูวิญญาณธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขูวิญญาณธาตุไม่เป็นจักขูวิญญาณใช่ไหมละ สภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมโนธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนธาตุไม่เป็นมโนใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมธาตุไม่เป็นธรรมใช่ไหมมีในข้อสิ สปัทโสะธนมูลและจั ก, กรวาลอนุโลมสีจักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมธาตุเป็นโสตธาตุใช่ไหมและจักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมทาตุเป็นธรรมธาตุใช่ไหมมีในข้อสิสองในวึงเล็บพึงผูกเป็นจักรนายในธาตุย ม, มกนี้เหมือนในอายตนะยมกปัจจานีกะห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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมธาติใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาติไม่เป็นจักขุธาติใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมธาติใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาติไม่เป็นมโนวิญญาณธาติใช่ไหมมีในข้อส3สในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสสุทธาธาตตัวอนอนุโลมห จักขุ word, todos, cherry, like. เป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นโสตะใช่ไหมคานะเป็นธาตุใช่ไหมและชิวหาเป็นธาตุใช่ไหมกายเป็นธาตุใช่ไหมรูปเป็นธาตุใช่ไหมสัทธะเป็นธาตุใช่ไหมคันทะเป็นธาตุใช่ไหมวรสะเป็นธาตุใช่ไหมโพธะะ เป็นธาตุใช่ไหมจักขุวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมโสตวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหมธาธาตุเป็นโสตวิญญาณใช่ไหมขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นมโนใช่ไหมมโนวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหม เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมธรรมเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นธรรมใช่ไหมมีในข้อสิบสี่ปจณีกะเสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตะใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตวิญญาณละสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายวิญญาณไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นกายวิญญาณใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมใช่ไหมมีในข้อ15 4สุดทัธาตุมูลจักรวาลอนุโลมแปจักขุเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นโสตะใช่ไหมและจักขุเป็นธาตุใช่ไหมธาธาตุเป็นธรรมใช่ไหมและธรรมเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นจักขุใช่ไหมและธรรมเป็นธาตุใช่ไหมธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมมีในข้อ16ในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยปจณิกะเกาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหม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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมมีในข้อ17ในมังเลพึงผูกเป็นจกกนักรนายประวัติวานุเทศจบหนึ่งป น, นัตติวาลลนิเทศหนึ่งปทโสธนวานอนุโลม10อนุโลมปุชชจฉาจักรูเป็นจกักรูธาตุใช่ไหมวิจชนาะ ทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป ja ็นจักข right. ุธาตุจักขุธาตุเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจักขุธาตุเป็นจักขุใช่ไหมวิจาชนาใช่อนุโลมปุจฉาโสตะเป็นโสตะธาตุใช่ไหมวิจาชนาทิพโสตะตันหาโสตะเป็นโสตะแต่ไม่เป็นโสตะธาตุโสตะธาตุ เป็นโสตะก็ใช่เป็นโสทาตุก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาโสทาตุเป็นโสตะใช่ไหมวิจัิชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานะเป็นคานทาตุใช่ไหมวิจัิชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาคานาาตุเป็นคานะใช่ไหมวิจัิชนาใช่ในวงเล็บแม้ชิวหาก็เหมือนกับคานทาตุอนุโลมปุจฉา กายเป็นกายธาตุใช่ไหมวิจัดชนาเว้นกายธาตุแล้วสภาวธรรมกายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายธาตุกายธาตุเป็นกายก็ใช่เป็นกายธาตุก็ใช่ปฏิโรมปุจฉากายธาตุเป็นกายใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉารูปเป็นรูปธาตุใช่ไหมวิจัดชนาเว้นรูปธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นรูป แต่ไม่เป็นรูปธาตุรูปธาตุเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุชารูปธาตุเป็นรูปใช่ไหมวิจัตชนาใช่ในวงเล็บสรัทธาก็เหมือนกับคานะอนุโลมปุชาคันทะเป็นคันทธาตุใช่ไหมวิจัตชนาสีและคันทะกลิ่นคือสีนสมาธิคันทะกลิ่นคือสมาธิปัญญาคันทะกลิ่นคือปัญญา เป็นคันทะแต่ไม่เป็นคันทะ ธ, ธาตุคันทะธาตุเป็นคันทะก็ใช่เป็นคันทะธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาคันทะธาตุเป็นคันทะใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉารสะเป็นรสธาตุใช่ไหมวิจัดชนาอัทธรสธรรมรสวิมุตติรสเป็นรสแต่ไม่เป็นรสธาตุรสธาตุเป็นรสก็ใช่เป็นรสธาตุก็ใช่ ปฏิโรมปุจฉารสธาตุเป็นรสใช่ไหมวิจัชนาใช่ในวงเล็บโพธิภพก็เหมือนกับขานะอนุโลมปุจฉาจักคูวิญญาณเป็นจักคูวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจักคูวิญญาณธาตุเป็นจักคูวิญญาณใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาโสดวิญญาณและขานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณกายวิญญาณอนุโลมปุจฉามโนเป็นมโนธาต์ใช่ไหมวิจัดชนาเว้นมโนธาต์สภาวธรรมที่เหลือเป็นมโนแต่ไม่เป็นมโนธาตมโนธาต์เป็นมโนก็ใช่เป็นมโนธาต์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉามโนธาต์เป็นมโนใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุจฉามาโนวิญญาณเป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา ม, า โ, น Yet, มาโนวิญญาณธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาธรรมเป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจัชนาเว้นธรรมธาตุแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นธรรมแต่ไม่เป็นธรรมธาตุธรรมธาตุเป็นธรรมก็ใช่เป็นธรรมธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา ธรรมธาตุเป็นธรรมใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกะ11อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักรุไม่เป็นจักรุธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักรุธาตุไม่เป็นจักรุใช่ไหมวิจัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุไม่เป็นจักรุธาแต่เป็นจักรุเว้นจักรุและจักรุธาตุแล้ว สภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขู่ก็ใช่ไม่เป็นจักขู่ธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตะธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะธาตุและไม่เป็นโสตะใช่ไหมวิจัชนาทิพโสตะตันหาโสตะไม่เป็นโสตะธาตุแต่เป็นโสตะ เว้นโสตะและโสท่าตัแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไม่เป็นโสท่าก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานาธาติใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานาธาติไม่เป็นคานะใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาละในมือเล็บท่านย่อคําว่า อามันตาใช่ไว้ทั้งอนุโลมและปฏิโลมอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายาธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายาธาตุไม่เป็นกายใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายาธาตุแล้วกายที่เหลือไม่เป็นกายาธาตุแต่เป็นกาย เว้นกายและกายธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปธาตุใช่ไหมวิจัชฉนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปธาตุไม่เป็นรูปใช่ไหมวิจัดฉนาเว้นรูปธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปธาตุแต่เป็นรูป เว้นรูปและรูปธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นรูปธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธะละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะไม่เป็นคันธาธาตุใช่ไหมวิจตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธาธาตุไม่เป็นคันธะใช่ไหม วิจ ancia, ัชนา hi, สีลคันทะสมาธิคันทะปัญญาคันทะไม่เป็นคันทะธาตุแต่เป็นคันทะเว้นคันทะและคันทะธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นคันทะก็ใช่ไม่เป็นคันทะธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสะไม่เป็นรสธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสธาตุ ไม่เป็นรสะใช่ไหมวิตัชนาอัทรรสธรรมรสบิมุตติรสไม่เป็นรสธาตุแต่เป็นรสะเว้นบรสะและรสธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นบรสะก็ใช่ไม่เป็นรสธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโพธิภะและสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณ ไม่เป็นจักรวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขรวิญญาณธาตุไม่เป็นจักขรวิญญาณใช่ไหมวิตัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตวิญญาณและสภาวธรรมที่ไม่เป็นการวิญญาณสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาวิญญาณสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายวิญญาณละ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมโนธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนธาตุไม่เป็นมโนใช่ไหมวิจัชนาเว้นมโนธาตุแล้วมโนที่เหลือไม่เป็นมโนธาตุแต่เป็นมโนเว้นมโนและมโนธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมโนก็ใช่ไม่เป็นมโนธาตุก็ใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที merchant, ่ไ right? ม่เป็นมโนวิญญาณไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมธาตุไม่เป็นธรรมใช่ไหม พิจารณาเว้นธรรมธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นธรรมธาตุแต่เป็นธรรมเว้นธรรมและธรรมธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นธรรมก็ใช่ไม่เป็นธรรมธาตุก็ใช่มีในข้อส 2. มสปัทโธธน牟และจักรวาลอนุโลมสิบออนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหม วิจัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุธาตุจักขุธาตุเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุธาตุก็ใช่ปฏิโรมปุจฉา้าตเป็นโสตธาตุใช่ไหมวิจัชนาโสดธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นโสตธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นโสดธาตุอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหมวิจัชนาทิพจักขุ ปัญญาจักขู่เป็นจักขู่แต่ไม่เป็นจักขู่ธาตุจักขู่ธาตุเป็นจักขูก็ใช่เป็นจักขู่ธาตุก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นคารธาตุใช่ไหมและปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจาชนาธรรมธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นธรรมธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นธรรมธาตุในมุงเร็ปปัญติวาน ในธาตุายมกเหมือนกับในอายตนะยมกพึงผูกเป็นจักรกไจจนปจณิกาสิบสามอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักรคไม่เป็นจักรคูธาต์ใช่ไหมพิจารณาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตธาต์ใช่ไหมพิจารณาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักรคไม่เป็นจักรคูธาต์ใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นคานาธาต์ใช่ไหมและอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมาธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ในมงเล็บพึงผูกเป็นจักรนายทั้งหมดใช้คําตอบว่าอามันตาใช่ทั้งอนุโลมและปฏิโลมแม้ในธาตุที่เหลือ 3. ส, สุทธาธาต ตวานอนุโลมสิบอนุโลมปุจฉัลจักขูเป็นธ า, ทย า, ยาตนะุใช่ไหมวนะิจัชนากกใช่ปฏิโลมปุจฉัธาตุเป็นจักขูธาตุใช่ไหมวิจัชนาจักขูธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นจักขูธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นจักขูธาตุอนุโลมปุจฉัลโสตเป็นธ า, ทย า, ยาตนะุใช่ไหมวิจัชนาใช่ อนุโลมปุจฉาคานะละชิวหากายรูปสัทธะคันทะรสสะโพธภะอนุโลมปุจฉาจักขุวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นจักขุวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัดชนาจักขุวิญญาณธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นจักขุวิญญาณธาตุก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นจักขุวิญญาณธาต อนุโลมปุจฉาสดวิญญาณคารณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณอนุโลมปุจฉามโนเป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นมโนธาตุใช่ไหมวิจัชนาะมโนธาตุเป็นธ า, าตุก็ใช่เป็นมโนธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่ใช่มโนธาตุ อนุโลมปุจฉามโนวิญญาณธาตุเป็นธาตุใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นมโหวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัดชนามโนวิญญาณธาตุเป็นธาตก็ใช่เป็นมโนวิญญาณธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่ใช่มโนวิญญาณธาตุอนุโลมปุจฉาทำเป็นธาตุใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธาตุเป็นธรรมธาตุใช่ไหม วิจัชนาธรรมธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นธรรมธาตุก็ใช่ธาติที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นธรรมธาตุมีในข้อหปัจจณีกะ 15. อนุโลมปุตชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาเป็นจักขุแล้วธาติที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นธาตุเว้นจักขุและธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นธาตกก็ใช่ ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักรุธาตุใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตตไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัดชนาะเว้นโสตตแล้วละเว้นคานะแล้วเว้นชิวหาแล้วละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นกายธาตุใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัดชนาเว้นรูปแล้วและเว้นสัทธะคันทะรสะโพธะะจักขุวิญญาณและโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณเว้นมโน มโมวิญญาแล้วละอนุโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมมาธาตุใช่ไหมพิจัชนาใช่มีในข้อเจสสุท ธ, ธาตุมูลและจักรวาลอนุโลมสิบอนุโลมปุจฉา จักขู่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาธาตุเป็นโสตธาตุใช่ไหมวิจัชนาโสตธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นโสตธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นโสตธาตุอนุโลมปุชชาจักขูเป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาธาตุเป็นขานาธาตุใช่ไหมละปฏิโลมปุชชา เป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจัชนาธรรมธาตุเป็นธาตุก็ใช่เป็นธรรมธาตุก็ใช่ธาตุที่เหลือเป็นธาตุแต่ไม่เป็นธรรมธาตุมีในข้อแปดในวงเล็บพึงผูกเป็นจักรนัยปัจจินีกะสิบเจอนุโลมปุตชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาเว้นจักรุแล้วธาตุที่เหลือไม่เป็นจักรุแต่เป็นธาตุ เว้นจักรูและธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขูก็ใช่ไม่เป็นธาตุก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขูไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัชนาเว้นจักรูแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขูแต่เป็นธาตุเว้นจักรูและธาตุแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขูก็ใช่ไม่เป็นธาตุก็ใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นคานธาตุใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมวิจารณาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจารณาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นจักรธาตุใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธาตุใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหมละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมวิจัดชนาใช่มีในข้อเก้าในวงเล็บพึงผูกเป็นจักรนายพึงขยายปัญติวานแห่งธาตยมก ให้พิสดาลเหมือนอายตนะยมกปณติวานรณนิเทศจบสองประวัติวานหนึ่งอุปาทวานหนึ่งปัจจุป น, นวานว่าด้วยสภาธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลสิบแปดอนุโลมปุชชจฉาจักขู่ท่าของบุคคลใดกำลังเกิด โสตธาตุของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้ผู้มีจักรูเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักรูธาตุของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสตธาตุไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูและโสตะเกิดได้กําลังอุบัติจักรูธาตุของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและโสตธาตุก็กําลังเกิดปฏิโลมปุชชา โสตธาติาของบุคคลใดกําลังเกิดจากขู่ธาติของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจารณาบุคคลผู้มีโสตะเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสตธาติของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขู่ธาติไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีโสตะและจากขู่ธาติได้กําลังอุบัติโสตธาติของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและจากขู่ธาติก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขู่ธาติของบุคคลใดกําลังเกิด คานาตาของบุคคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิ ต, มม ต, คคตัชน า, าชบุคคลผู้มีจกักรูธาต์ได้คานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจกักรูธาต์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานาตาไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูและคานะเกิดได้กําลังอุบัติจักรูธาต์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานาธาต์ก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจชา คานาธาตของบุคคลใดกําลังเกิดจากขู่ธาตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจตชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานาธาตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขู่ธาตไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและจากขู่เกิดได้กําลังอุบัติคานาธาตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและจากขู่ธาตก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขู่ธาตของบุคคลใดกําลังเกิด รูปธาตุของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปธาตุของบุคคลใดกําลังเกิดจากขู่ธาตุของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีรูปเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติรูปธาตุของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขู่ธาตุไม่ชไใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีรูปและจากขู่เกิดได้กําลังอุบัติ รูปธาตุของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและจกกักขคู่ธาตุก็กําลังเกิดอนุโลมปุ waren. จฉาจักขคู่ธาตุของบุคคลใดกําลังเกิดมโนวิญญาณธาตุของบุคค ล, ลญญญญนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามโนวิญญาณธาตุของบุคคลใดกําลังเกิดจักขคู่ธาตุของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จักรคู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติ มโนวิญญาณธาตุของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จักรุธาตไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจิตได้จักรุเกิดได้กําลังอุบัติมโนวิญญาณธาตุของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและจักรุธาตก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักรุธาตของบุคคลใดกําลังเกิดธรรมธาตุของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา ธรรมธาตุของบุคคลใดกําลังเกิดจักขูธาตุของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมธาตุของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จักขูธาตุไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติธรรมธาตุของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและจักขูธาตุก็กำลังเกิดในวงเล็บพึงจําแนกธาตุยมกให้เหมือนกับอายตนะยมกคือพึงทําให้เหมือนกัน 3. ปริญญาวานสิเกอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขู่ธาตบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้โสตทาตใช่ไหมวิจัชนาใช่ละในวืเล็บธาตุยมกบริบูรณ์โดยการละข้อความไว้ธาตุยมกจบ